เลิกแล้วค่ะหนูเลิกทาบาปแล้วค่ะเลิกแล้วค่ะหนูเลิกทาบาปแล้วค่ะอ๋อบาปลคะคะไม่คิดทาอีกแล้วค่ะเป็นคนกับเขาหนึ่งคนไม่อยากไหว้วนฆ่าสัตตัดชีวิต Pass it. เลิกลค่ะเลิกทำบากแล้วค่ะเลิกลค้ะดูเลิกทำบากแล้วค่ะขอบา ล, ค, าบาลค่ะไม่คิดทำอีกแล้วค่ะทุกคนต่างมีเมตตาทุกสิททิสาเพ่อรมสุขสรรสวรรค์ญญ เลิกแล้วค่ะหนูเลิกทำบาปแล้วค่ะอ้อบาปละค่ะไม่คิดทำอีกแล้วค่ะ